คนกลัวไปจกนาลกหลังจากการตายแล้วอาณาลกในปัจจุบันนี้ทําะไรกินไม่ปวดอดีตที่ผ่านมาแล้วจะแก้ไม่ได้อนาคตที่ยังไม่มาถึงก็แก้ไม่ได้จะแก้ได้เฉพาะปัจจุบันกําลังรู้กาลังเห็นกําลังเป็นกําลังมีกําลังสัมผัสได้นี่แหละท่านว่าเป็นปัจจุบันแท้ๆถ้าหาเราแก้ปัจจุบันนี้ไม่ได้มันก็เอียงไปเลยเป็นอารมณ์ไปเลยทั้นว่าพุทธะแปลผู้รู้ จะทุกขรู้รู้อะไรที่ไหนก็รู้ตัวเองนี่เองรู้กายรู้ใจท่านว่าถ้าหากไม่รู้สิ่งเหล่านี้ก็แสดงว่าเราไม่มีพุทธศาสนาบัด น, นี้เรายังศึกษาไม่รู้ไม่เข้าใจเพียงคาดคิดเอาอันนั้นเพูดว่ามันนึกมันคิดวิปัสสน์นึกวิปัสสคิดว่าเนี่ยนึกเดาเอาเองดังนั้นธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้นั้นเรื่องสวรรค์ก็ดี เรื่องนิพพานก็ดีเรื่องนรกก็ดีให้ว่าทุกอย่างนั้นจะคาดคิดเอาไม่ได้จะรู้ล่วงหน้าไม่ได้โดนเดาเอาไม่ได้ต้องรู้เองเห็นเองเข้าใจเองแต่ครูอาจารย์นั้นเพียงแ็่แนะนวให้เราเท่านั้นเองดังนั้นการประพฤติปฏิบัติต้องอาศัยการกระทาของตัวเองคนอื่นทำแทนเราไม่ได้ดังนั้นคนเราต้องรู้จักเคารพตัวเองเห็นว่า เมื่อรู้จากแล้วก็ยกมือไหว้ตัวเองได้เนะไม่ใช่ว่าจะยกมือไหว้ที่อื่นนเลยยกมือไหว้ตัวเองหมายของว่าอย่างโอ้แต่ก่อนเราไม่รู้ว่าของดีมีที่เราขนาดนี้เราก็ไม่เห็นของดีที่ตัวเราก็ยกมือไหว้ตัวเองได้นะดังนั้นการไหว้ตัวเองเป็นสิ่งที่สําคัญไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้าไม่ไมันมีทุกอยู่แล้วพระพุทธสอนให้ทุกคนแก้ปัญหาเรื่องทุกจริงจริงมีเงิจับพันล้านมาเนี้ ถ้ามีทุกจะมีประโยชน์อะไรเงินอ น, นั้นมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยมีความรู้เรียนหนังสือจบปริยายเอกจากสิบปริยายเอกนี่ก็ต่างถ้ามันทุกมันก็มาช่วยอะไรเราไม่ได้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยเย ป, ยเปยเนน็นบัด น, น, น, น, น, นี้มีเงินหลายหลายไม่ทุกมันก็มีประโยชน์จริ ง, ร ง, รงๆเงินนั้นให้คุณค่าของความเป็นคนได้จริงจรถ้าเรียนหนังสือจบปริยายเอกได้สิบปริยายเอก ถ้าไม่มีทุกข์นั่นก็ให้คุณค่าสมกับเป็นปริยาจริงๆบัด น, นี้คนที่ไม่เรียนหนังสือถ้าทุกข์ก็ไม่สมกับเกิดเป็นคนแล้วไม่เป็นคนแล้วบัด น, นี้คนที่ไม่ได้เรียนหนังสือแต่ไม่ทุกข์ก็เป็นคนได้ราะว่าคนๆเนี่ยเราต้องศึกษาให้รู้จักจริงๆพระพุทธเจ้าตรัสรู้ข้อการทาทางจิตทางใจ่นแต่พูดได้แต่ไม่รู้ เรื่องทำทางจิตทางใจเป็นปัญหาที่สาคัญเราต้องให้เห็นจิตเห็นใจของเรากำลังนึกกำลังคิดมันนึกมันคิดอะไรต้องรู้เท้ารู้ทันรู้จากกันรู้จักแก่อาสนะมันได้อย่าเข้าไปในคมคิดท่านว่าเมื่อเข้าไปในคมคิดเขาว่ามันปุงโยเอิสังขารปุงแตง่งท่านว่าบัดนี้เมื่อไม่เข้าไปในควมคิดแต่ว่าถอนตัวออกจากคมคิด มาอยู่กับสภาพการเคลื่อนไหวของรูปทันวะอย่าเข้าไปในตัวสมุทยัยตัวนั้นตัวนั้นมันทําให้ทุกเกิดขึ้นมามันจับไม่ได้มันมีปุงขึ้นไปทันวะทุกต้องกําหนดรู้ทันวะคือรูก้การเคลื่อนไหวนี้เองสมุทัยต้องละมันละเองเมื่อเรามารู้ทําคนรู้สึกตัวนี้ตัวมันคิดมันละเองทันวะมักต้องจเจริญทำบ่อยๆทันวะ มีโ่โลดทําให้แจ้งเลยมันจะรู้เองเห็นเองเข้าใจเองสัมผัสได้เองรู้แจ้งจริงๆเหมือน ก, นกันกับพระพุทธเจ้าท่านว่าอย่างนั้นจร่งว่าสัตว์ทั้งหลายคือเราตถาคตสัตว์ทั้งหลายเหมือนเราตถาคตสัตว์ทั้งหลายเราผู้เป็นตถาคตไปถึงแล้วแหงนนั้แล้วจึงนามาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราตาทัคตนี้อันนี้มันมีกลับกันนะ ทรัพทั้งหลายคือเราแตถาคตเมื่อยังไม่รู้ก็ไม่รู้เหมือนกันทรัพทั้งหลายคือเราแต่ทคตเมื่อพระพุทธเจ้าลูกก็ต้องรู้เหมือนกันทรัพทั้งหลายเหมือนเราแตถาคตเหมือนกันเมื่อไม่รู้ก็เหมือนเมื่อรู้ก็รู้เหมือนกันรู้อันเดียวกันจังว่าทำเหมือนกันกับพระพุทธเจ้าจะรู้เหมือนกันกับพระพุทธเจ้าท่านว่าอย่างนั้นดังนั้นพวกเรามาฟังคำมะที่วัดสนามไหนพูดก็ไม่ค่อยมีสำนวน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 จิตใจเราเอเอียงไปข้างไหนเราก็รู้เนี่ยดังนั้นท่านจึงว่าสันธิติโกผู้ลู่จะพึงเห็นเองอาการิโกเป็นภาษาบาลีไม่ประกอบการเล่เวลาเอฮิปฏิโกควรเรียกให้มาดูมาดูที่ใจเรานั่นเองไม่ใช่มาดูแค่งดูขาไม่ใช่มาดูทำเสื้อซาดถูบ้านถูเรือนอย่างนั้นก็ดีแต่ท่านสอนเนย ให้มาดูใจตัวเองดูของคุณเนี่ยดูคุณนั่นกี้อย่ามาดูคมทําไมอย่างที่ท่านพูดกับพวะวกรกลิศพระวะกลิศขอไปดูแต่พระพุทธเจ้าหนีไปสักท่านว่าหนีไปในที่นี้เราต้องฟังให้เต็นหนีจากควมทิศปูงแต่งนะพระพุทธเจ้าแต่ว่าเอาเองเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มีตารานะพระวรกลิกหนีหนีจากมาดูเราเนี่ยดูแลมันปุงมันแต่งไปเลย นี้จากคมคิดพระวักกะลิศอยากเห็นพระพุทธเจ้านั่นนะมันปุงมันแต่มันเป็นสังขารมันเป็นอวิชชามันจะไม่เห็นจิตใจตัวเองนะ<ม>่ะหนีไปพระวักะลิศพระวักกะลิศเกิดที่ไปโดนเหวตายวะจ้ะอันนั้นก็เป็นเรื่องของเรื่องเป็นปุกราธิฐานอาจจะเป็นอย่างนั้นจริงก็ไม่ทราบดังนั้นพระพุทธเจ้าเราคิดเองนะหนีจากความคิดปรุงแต่งอยากเห็นพระพุทธเจ้านีนพระวักกะลิศดูใจพระวกะลิศฮั่นหนีจากความคิดปรุงแต่ง เมื่อคนทุกคนวางความคิดปุงแต่นได้แล้วก็ไม่ทุกข์เลยความทุกข์เจือไม่มีมันมีขึ้นมาเพราะในขณะที่เราหลงตนลืมตัวหลงกายลืมใจนั่นเองดังนั้นคนนั่นจิว๋วการปฏิบัติธรรมาจึงไม่เหมือนกันคําว่าไม่เหมือนกันนี่ก็ระทำะกับคนละเรื่องกันเลยไม่ใช่ธรรมะเรื่องเดียวกันรู้ก็ต้องรู้คนละเรื่องคนละอย่างกันไป มันก็เลยไม่ตรงกับคำพูดคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้ว่าทุกคนปฏิบัติธรรมะเพื่อแก้ปัญหาเรื่องค่มทุกขมกับโศกวุ่นวายนี้เองแต่บางคนปฏิบัติธรรมะเพื่อเห็นสีต่างๆแต่อันนั้นไม่ใช่เหมือนกันกับอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านทำมาเมื่อพูดเรื่องนี้เราเคยได้ยินมาทางไม่ใช่ทาง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 เมื่อพูดถึงตอนนี้ก็เลยมาพูดเอาให้คนรู้จักตัวเองการรู้จักตัวเองน่าจะทำสมาธิยังไงก็ได้ถ้าหว่าเราทำถูกวิธีจริงๆถ้าไม่ถูกวิธีจริงๆกล็ล้มลุกคุกขานว่าหลมเหลวแต่ว่าตอนฟังธรรมะอย่างที่หลวงพ่อพูดเนี่ยฟังเพื่อความเข้าใจและนำไปปฏิบัติตัวเองและกำลังนั่งฟังอยู่เดี๋ยวนี้แหละ ก็เป็นการปฏิบัติธรรมะไปในตัวมันเองสําหรับจิตใจที่มันนึกมันคิดมันมองไม่เห็นด้วยตาวันหนึ่งมันคิดกี่เรื่องมันคิดกี่อย่างคิดไปในทางไหนเนีย่ยเราไม่ค่อยจะรู้กันเรื่องนี้ดังนั้นการสอนการพูดพูดสิ่งที่มันพอที่จะทําได้เบื้องแรกจึงมีวิธีการทําให้คนรู้สึกตัวคนได้ ถ้ามันล่วงจากภพนี้ไปแล้ววั น, นเวลามันล่วงไปมันแสดงออกมาในแง่ไหนหน้าตาเป็นอย่างไงอันที่เรามองออกกันหเห็นนะ่ะคือมันโกรธเกลียดชอบไม่ชอบนี่เรามองเห็นได้แต่หลักสันษฐาที่มันนิ่มนวลละเอียดไปกว่า น, นั้นกว่็ยังมีมากดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้คนรู้จักว่ามันกลายจากภพคนเป็นคนไปแล้ว ถ้าไปทางดีมันก็เป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพระอินทร์เป็นพระพรหมไปที่สุดก็เป็นพะระยบุคคลท่านดังนั้นเมื่อพูดถึงตอนนี้ก็ได้แนะนววิธีปฏิบัติให้พวกเราไปทำเองนั่น ล, ละรู้เองวิธีที่ทำนั้นทุกคนรู้ทุกคนต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันมีจิตในใจเหมือนกัน ดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนทั้งจึงไม่จํากัดไม่กําหนดเพื่อรางศาสนาสั้นวันณะ ก, กับคุณมันมีเหมือนกันเรื่องจิตใจของคุณแต่ในขณะเรานั่งฟังหลวงพ่อพูดอยู่ในขณะนี้ลักษณะนี้ก็มีเหมือนกันมีจิตใจสบายสบายหรือจิตใจว่างๆลักษณะนี้ทา่านเรียกเป็นปกติถ้าผิดจากนี้ไปแล้วเป็นยังไง ถ้าผิดปกติากจากอย่างที่เรานั่งอยู่เดี๋ยวนี้เนี่ยผิดปกติจากนี้ไปนะถ้าไปทางดีใจมันยิ้มแย้งเป็นโลภะเนเต็มโลภะลักษณะโลภะนี่สามารถให้เป็นเปรตก็ได้นี่มันเป็นอะไรก็ได้ลักษณะมันผิดปกติไปแลผิดจากความปกติไปเป็นพบที่แบบมันมีโลภะขึ้นมาเลยตันนี้ถ้ามันผิดไปทางไม่ดีโกรธเกลียด ผิดปกติไปทางโทสะไปแล้วบปเนี้ยเป็นโทสะไปยังไงก็บางทีก็ไปเป็นสัตว์นรกเป็นสัตว์เดรัจฉานผิดไปแล้วข้ามจากภพภูมิเป็นปกติไปแล้วข้ามจากภพภูมิเป็นคนไปแล้วคนที่ว่ารู้จักเลือกคัดจัดหาอันนี้ได้จิวภพภูมิทม่านั้นเอคนทํางานด้วยทุกอยู่ด้วยทุกกินด้วยทุกนั่งนอนด้วยทุกแล้วมันจะมีประโยชน์อะไร ไม่มีประโยชน์อะไรเลยตายก็ยังยังดีกว่าเนี่ท่านวันยนั้นบบ น, นี้คนเราเกิดมาทําการทํางานโดยไม่มีทุกข์ท่านวันอย่างที่เรียนหนังสือเนี่ยบางคนเรียนด้วยทุกข์นะอยากสอบไล่ได้อย่างนั้นอย่างอ้าวเรียนมาเพื่อจะมาประกอบตัวเองไม่ให้ชีวิตเป็นทุกข์นี่นเองทํางานซ่อมรถหนูกัเพื่อไม่อยากให้ชีวิตเป็นทุกข์ให้แม่หนูเออเขาก็เหมือนกันทุกคนจังเมื่อชีวิตไม่ได้ทุกข์นั่นแหละตุนันทา มีคาาาวามสุขแต่งดสนานทันว่าทําการทํางานด้วยความสุขด้วยความอาลัยแม่แได้เงินมาได้น้อยก็สบายใจได้มากก็สบายใจ อ, อันนี้เราไม่เป็นอย่างนั้นเมื่อไปสอบไลนมาได้ก่อน้อยใจทุกแล้วแบบนะั้เมืม่อไปทําการทํางานในบริษัททางร้านแบบ น, นี้เมื่อเขามาให้เงินเดือนหรือมีพักพวกขัดคอกันอะไ้อย่างนีน้ก็ทุกใจแล้วอันนั้นไม่ใช่คนแล้วผิดไปแล้ว ผิดหน้าที่ของคนแล้วเพราะไม่เห็นคนเนี่ยผิดไปทางไหนก็ไม่รู้นะดูเอาเองนะเราผิดไปทางเตจหรือผิดไปทางสัตว์นรกหรือผิดไปทางไหนเราต้องรูเองนะน้อสันทิิโกอันผู้รู้จะพึงเห็นเองอากาลิโกไม่ประกอบการและเวลาไม่ประกอบมือประกอบวันเมื่อประสบเข้าเวลาใดแล้วมันจะเป็นไปข้ามภพภูมิไปนี่ยท่าวั ดังนั้นพบภูมิเราก็ต้องศึกษาให้รู้ที่ตัวของเราเองถ้าหากเราไม่ศึกษาที่ตัวของเราเองแล้วเราก็ไปจำอกกับตาลาไปท้องไปบนอกกระตาลาก็ดีแล้วอะแต่มันแก้ทุกได้ไหมถ้าแก้ทุกไม่ได้ก็แสดงว่ายัางไม่ถูกหลักยังไม่ตรงกับคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านไว้อย่างนั้นเมื่อเราทำไปมันแก้ทุกได้ก็แสดงว่าเราถูกหลักเราแก้ทุกเราได้ไง ดังนั้นคนวามทุกข์จึงมีมาหลายอย่างดังนั้นพูดอะไรพูดจะเรื่องตัวเองเนี่ยบางคนโอ้ยพูดจะเรื่องตัวเองของพ่อเนี่ยอย่านันก็มีก็จะไปพูดเรื่องคนอื่นทําไหมพูดเรื่องคนอื่นเราจะไปรู้ดีเหนือเขาได้ไหมรู้ไม่ได้อย่างที่อาจารมาเคยพูดตำหนิแผลที่นี่นับตัวอาจารมาเนี่ยคนอื่นจะรู้ดีเหนืออาจารมาไม่ได้ตัวอาจารมาต้องรู้ดีกว่าทุกคนเลย <c oughs>